ลำดับนั้นพระมหาสัตว์ไปสู่ตำหนักพระราชมารดาของพระเจ้าจุลนีก่อนแล้วสั่งคนทั้งหลายว่าเจ้าทั้งหลายจงจัดการรื้อตำหนักคนใช้เหล่านั้นก็ปรารบเพื่อจะรื้ออิฐและขุดดินตั้งแต่ซุ้มประตูพระราชชนนีของพระเจ้าจุลนีได้สะดับข่าวนั้นจึงเสด็จมารับสั่งว่าพวกเจ้าจะให้รื้อตำหนักของข้าเพื่ออะไร ชนเหล่านั้นจึงทูลตอบว่ามโหสดให้หรือ้อใครเพื่อจะสร้างพระราชนิเวศแห่งพระราชาของตนพระราชชนนีจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นอยู่ด้วยกันในตำหนักนี้ก็แล้วกันชนเหล่านั้นทูลตอบว่าคนพาหะของพระราชาแห่งพวกข้าพระองค์มีมากตำหนักนี้ย่อมไม่พอกันอยู่ข้าพระองค์จักให้สร้างที่ประทับใหม่ให้ใหญ่ พระราชชนนีจึงรับสั่งว่าพวกเจ้าไม่รู้จักข้าข้าเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าจุลนีข้าจากไปหาลูกข้าจักรู้กันเดี๋ยวนี้ชนเหล่านั้นจึงทูลว่าข้าพระองค์จักรือตามพระราชดำรัสถ้าพระองค์อาจก็จงห้ามพระนางสลาเกเทวีกิ้วรับสั่งว่าข้ารู้จักกิจที่ข้าพึงทำแก่พวกเจ้าเดี๋ยวนี้ ตรัสแล้วเสด็จไปประตูพระราชนิเวศลำดับนั้นคนเฝ้าประตูก็ห้ามพระราชมารดาว่าพระองค์อยากเข้าไปพระราชมารดาตรัสว่าข้าเป็นพระราชชนนีชนเหล่านั้นก็ทูลว่าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบพระเจ้าจุลณีตรัสสั่งไว้ว่าอย่าให้ใครๆเข้าไปเพราะฉะนั้นพระองค์จงเสด็จกลับไปเสีย พระนางสลากเทวีเมื่อไม่ทอดพระเนตรเห็นที่พึ่งอันพึงยึดถือก็เสด็จกลับมาทอดพระเนตรตําหนักของพระองค์ประทับยืนอยู่ลําดับนั้นชนผู้หนึ่งจิงทูลพระนางนั้นว่าพระองค์ทําอะไรในที่นี้จงไปจงไปว่าแล้วลุกขึ้นใส่พระสอให้ล้มลงยังภูมิภาคพระนางเจ้าทรงดําริว่าพวกนี้พระราชาลูกเราสั่งแล้วแน่ ใครไม่สามารถจะทำอย่างนี้ด้วยประการอื่นเราจะไปหามโหสถจึงเสด็จไปหามโหสถตรัสว่าแนพ่อมโหสถท่านให้รื้อตาหนักข้าพเจ้าเพราะอะไรมโหสถไม่พูดกับพระนางเจ้าแต่บุรุษผู้ยืนอยู่ในที่ใกล้ทูลว่าพระนางจะตรัสอะไรพระนางเจ้าจึงรับสั่งว่ามโหสถให้รื้อตาหนักข้าพเจ้าเพื่ออะไร บุรุษนั้นทูลว่าเพื่อทําที่ประทับแห่งพระเจ้าวิเทหราชพระราชมารดารับสั่งว่าเมืองใหญ่ถึงเพียงนี้ทําไมจะหาที่ทําพระราชนิเวศในที่อื่นไม่ได้เจ้าจงรับสินบนแสนกหาปณะนี้แล้วให้ทําพระราชนิเวศในสถานที่อื่นเถิดบุรุษนั้นทูลตอบว่าดีแล้วพระแม่เจ้าข้าพระองค์จักให้ละตําหนักของพระนาง แต่พระนางอย่ารับสั่งการที่ข้าพระองค์รับสินบนแก่ใครๆเพราะว่าชนเหล่าอื่นจะพากันให้สินบนแก่พวกข้าพระองค์แล้วไม่อยากละเรือนของตนพระนางสลากเทวีรับสั่งตอบว่าการที่ข้าพูดให้ใครรู้นั้นเป็นที่น่าอายแก่ข้าว่าพระราชมารดาได้ให้สินบนดังนี้เพราะฉะนั้นข้าจักไม่บอกแก่ใคร บุรุษนั้นทูลรับว่าดีแล้วแล้วรับเอากหาปณะหนึ่งแสนจากพระนางก็ละตาหนักนั้นไปเรือนเกวตตะให้ทาเหมือนกับทำแก่ตาหนักพระนางสลากเทวีนั้นเกวตตะโกรธไปสู่ราชทวารเหล่าคนรักษาประตูก็ประหารที่หลังเกวตตะด้วยซีกไม้ไผ่หนังที่หลังเกวตตะก็เป็นแนวขึ้น เยวตตะไม่เห็นจะพึ่งอะไรได้ก็กลับบ้านให้กหาปณะหนึ่งแสนแก่บุรุษนั้นมโหสถถือเอาสถานที่ตั้งเรือนในนครทั้งสิ้นด้วยอุบายนี้รับสินบนได้กหาปณ ะ, ะในที่นั้นนั้นประมาณ9ก้าโกดพระโพธิสัตว์พิจารณาในนครทั้งสิ้นแล้วไปเฝ้าพระเจ้าจุลณีพระราชาตรัสถามว่าเป็นอย่างไรพ่อบัณฑิต สถานที่ตั้งพระราชนิเวศเจ้าหาได้หรือยังมโหสถกราบทูลว่าชื่อว่าใครจะไม่ให้ย่อมไม่มีแต่ครั้นเมื่อเรือนอันฆ่าพระองค์ถือเอาชนเจ้าของก็ย่อมลำบากการทำความที่ชนเหล่านั้นต้องพัดพรากจากของรักไม่สมควรแก่ข่าพระองค์เพราะฉะนั้นข่าพระองค์จักสร้างพระนคร ให้เป็นสถานที่ประทับแห่งพระราชาของข้าพระองค์ในที่โน้นระหว่างคงคากับพระนครนี้ในที่หนึ่งคาวุตรแต่ที่นี้ภายนอกพระนครนี้พระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับก็ยินดีด้วยทรงเห็นว่าการรบกันภายในเมืองเป็นการลำบากเสนาฝ่ายเราหรือเสนาฝ่ายอื่นก็อาจรู้ยากการทำยุทธนาการภายนอกเมืองเป็นการง่าย จักได้ไม่ต้องทุบตีกันตายในเมืองทรงเห็นชะนี้จึงตรัสว่าดีแล้วพ่อเจ้าจงให้สร้างในสถานที่ที่เจ้ากำหนดเถิมดมโหสถกราบทูลว่าข้าพระองค์จักให้ทำในที่ที่กราบทูลและขอพระราชทานอนุญาตแล้วนั้นชาวพระนครอย่าพึงไปสู่ที่ทานวกรรมของข้าพระองค์เพื่อหาฟืนและใบไม้ เพราะว่าเมื่อชาวเมืองไปจะเกิดทะเลาะวิวาสกันด้วยเหตุนั้นนั่นแหละความสำราญพระราชหฤทัยจกไม่มีแด่พระองค์และความสบายใจก็จกไม่มีแก่ข้าพระองค์พระเจ้าจุลณีตรัสว่าดีแล้วพ่อบัณฑิตเจ้าจงห้ามไม่ให้ใครไปยังประเทศนั้นมโหสถทูลต่อไปว่าข้าแต่สมมุติเทพ ช้างทั้งหลายของข้าพระองค์ชอบเล่นน้าเมื่อน้ำเกิดขุ่นมัวขึ้นถ้าชาวเมืองจักขัดเคืองพวกข้าพระองค์ว่าจำเดิมแต่มโหสดมาพวกเราไม่ได้ดื่มน้ำใสขอพระองค์กรุณาอดกลั้นในเรื่องนี้อย่ากลิ้ ว, วกว่าข้าพระองค์พระเจ้าจุลณีตรัสว่าช้างทั้งหลายของพวกเจ้าพวกเจ้าจงปล่อยให้เล่นเถิด ตรัตชนีแล้วให้เป่าร้องว่าผู้ใดออกจากที่นี้ไปสู่ที่สร้างพระนครของมโหสดจะปรับหมยผู้นั้นพันกหาปณะนะมะโหสดถวายบังคมลาพระเจ้าจุลณีพาพวกของตนออกจากพระนครเริ่มสร้างพระนครในสถานที่กำหนดไว้ให้สร้างบ้านชื่อคักคลิริมฝั่งคงขา่าฝากโน้นให้ช้างมา้ารถ พาหนะและโคภริพัตอยู่ในบ้านนั้นพิจารณาการสร้างพระนครแบ่งการงานทั้งปวงว่าชนเท่านี้ทำกิจชื่อนี้เป็นต้นและได้เริ่มการงานในอุโมงประตูอุโมงใหญ่อยู่ริมฝั่งคงคาชนทั้งหลายราวหกพันคนขุดอุโมงใหญ่เอาถุงหนังใหญ่นำกรวดทรายฝุ่นไปเทลงในแม่น้ำคงคา ช้างทั้งหลายก็เหยียบย่ำตรงที่เทลงเทลงนั้นคงคาก็ขุนมัวไหลไปชาวเมืองก็พากันกล่าวว่าตั้งแต่มโหสถมาพวกเราไม่ได้ดื่มน้ำใสคงคาขุนมัวไหลไปเหตุเป็นอย่างไรหนอะลำดับนั้นบุรุษที่มโหสถวางไว้ก็แจ้งแก่ชาวเมืองว่าได้ยินว่าหมูช้างของมโหสถเล่นน้ำ ทำให้น้ำในคงาคาขุ่นเป็นตมเพราะเหตุนั้นคงคาจึงขุ่นมัวไหลไปธรรมดาว่าความประสงค์ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมสำเร็จเพราะเหตุนั้นรากไม้ศิลากรวดทั้งปวงในอุโมงค์ย่อมจมหายไปในพื้นดินประตูแห่งอุโมงค์ซึ่งเป็นทางเดินอยู่ในเมืองนั้นชนทั้งหลายราวสามพันคนขุดอุโมงค์ซึ่งเป็นทางเดิน ให้บรรจุกรวดทรายด้วยถุงหนังไปถมในนครนั้นให้คลุกเคล้าดินและทรายที่เทไว้เทไว้กับน้ำก่อกำแพงและทำกิจอื่นๆด้วยประตูทางเข้ามหาอุโมง์มีในเมืองประกอบด้วยประตูเป็นคู่มียนต์สูงสิปดศอกก็ในเมื่อเหยียบกดเครื่องสลักห้ามอันหนึ่งเข้าประตูนั้นก็ปิดเหยียบอีกอันหนึ่งประตูนั้นก็เปิด ก่ออิดสองข้างแห่งมหาอุโมงแล้วให้ฉาบ ป, ปูนปูไม้บางเบื้องบนเอาดินเหนียวยาอุดช่องแล้วทาปูนขาวก็ในอุโมงนั้นมีประตูทั้งหมดคือประตูใหญ่80ประตูน้อย64ทุกประตูประกอบด้วยยนต์ในเมื่อเหยียบกดเครื่องสลักห้ามอันหนึ่งเข้าประตูทั้งหมดก็ปิดในเมื่อเหยียบกดเครื่องสลักห้ามอันหนึ่งเข้า ประตูทั้งหมดก็เปิดโคมดวงไฟมีมากกว่าร้อยมีสองข้างของมหาอุโมงค์โคมดวงไฟทั้งสิ้นประกอบด้วยยนต์ครั้นเมื่อเปิดยนต์อันหนึ่งโคมดวงไฟก็เปิดสว่างพร้อมกันหมดครั้นเมื่อปิดยนต์อันหนึ่งโคมดวงไฟก็ปิดมืดพร้อมกันหมดก็ห้องบรรทมร้อยเอ็ดห้องสำหรับพระราชาร้อยเอ็ดมีอยู่สองข้างแห่งมหาอุโมงค์ ทอเครื่องราชต่างๆไว้ในห้องบรรทมทุกห้องพระราชมหาศยศนะแห่งหนึ่งหนึ่งยกสเสวทฉัดไว้ทุกแห่งรูปสตรีทำด้วยดินเหนียวรูปหนึ่งหนึ่งงดงามยิ่งตั้งไว้อาศัยพระราชสีหาดและพระราชมหาศยะองหนึ่งองหนึ่งประดิษฐานไว้แล้วถ้าว่าบุคคลไม่จับต้องรูปนั้นก็ไม่อาจรู้ว่าไม่ใช่รูปคน อันหนึ่งพวกช่างเขียนผู้ฉลาดได้ทำจิตกรรมเขียนอย่างวิจิตต่างๆทั้งสองข้างแห่งมหาอุโมงค์แสดงภาพทั้งปวงไว้ในอุโมงค์แบ่งเขียนเป็นต้นว่าภาพส ก, กะเทวราเยืองกรายมีหมู่เทวดาแวดล้อมและเขานีรุเขาสัตตบริพันธ์สาครมหาสาครทวีปสี่ป่าหิ ม, มพานจะอนดาดมโนศิลาดล ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สวรรค์ชั้นกามาโจรมีจาตุมหาราชิกาเป็นต้นและสมบัติเจ็ดประการเกลี่ยกรวดทรายซึ่งมีสีดุดแผ่นเงินที่ภาค พ, พื้นแสดงดอกปทุมห้อยตามช่องเบื้องบนแสดงร้านตลาดขายของมีประการต่างๆทั้งสองข้างห้อยพวงของหอมพวงบุพชาติเป็นต้นในที่นั้นๆ ประดับอุโมงค์เป็นราวกะสุธรรมเทพสภาป่ายช่างสามร้อยคนที่มโหสถให้ไปทําทัพสัมภาระแห่งพระราชนิเวศและให้ต่อเรือบรรทุกมานั้นก็ได้ต่อเรือสามร้อยลำบรรทุกทับสัมภาระที่แต่งเสร็จแล้วมาทางคงคาแจ้งแก่มโหสถมโหสถนําทับสัมภาระเหล่านั้นไปเป็นเครื่องประกอบใช้การในพระนคร แล้วให้นําเรือทั้งหลายไปรักษาไว้ในที่ปกปิดสั่งว่าเหล่าเจ้าจงนํามาในวันที่เราสั่งการก่อสร้างทั้งปวงในพระนครที่แล้วเสร็จคือคูน้ําคูเปลือกตมครูแห้งกําแพงสูงสิปดศอกป้อมประตูเมืองซุ้มประตูเมืองพระราชนิเวศเป็นต้นโรงช้างเป็นต้นและสระโบกครณีมหาอุโมงค์ชังคะอุโมง์ พระนครทั้งหมดนี้แล้วเสร็จสี่เดือนด้วยประการชนิดตอนนั้นล่วงมาได้สี่เดือนพระมหาศัตว์ได้ส่งทูตไปเพื่อเชิญเสด็จพระเจ้าวิเทหราชเสด็จมาพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่ามโหสดสร้างพระราชนิเวศเพื่อพระเจ้าวิเทหราชผู้ทรงยศเสร็จแล้ว ภายหลังจึงส่งทูตทูลพระเจ้าวิเทหราชผู้อนุเคราะห์ชาวมิถิลาว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอเชิญพระองค์เสด็จมาบัดนี้พระราชนิเวศ ท, ที่สร้างเพื่อพระองค์สำเร็จแล้วบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าจึงส่งปาหินีได้แก่ส่งไปแล้ว พระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคําของทูตก็ทรงโสมนัสเสด็จไปด้วยราชบริพารเป็นอันมากพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่าลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยจตุรงคเสนาสเสด็จไปสู่นครอันมั่งคั่งที่มโหสถสร้างไว้ในแคว้นกัปปิละ เพื่อทอพระเนตรพาหะอันหาที่สุดมิได้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพาหะอันหาที่สุดมิได้อนันตะพาหนังได้แก่พาหะมีช้างและม้าเป็นต้นประมาณมิได้คำว่านะครในแคว้นกัปปิละกัปปิลิยังปุรังได้แก่ นครที่มโหสดสร้างไว้ในแคว้นกัปปีละ